<rôle>: ถ <trending ide> <be> ึงเรื่อนังาทั้งดที่ติเอมากที่เราทำดีแล้วแล้วก็ทั้้ที่เป็ไปอ่ามาติดกับตัวบุคคลอย่าติดในอำนาจที่ติดแน ดึงด <es> um ึงด so so ึงงกันยากเลไหนก็ดึงตลอดเลยดึงมากทที่อาจารย์รวมับอาจารย์เขาเห็นยว่าากว่าเา่ไหนยาวเาว่าหลวงพ่อให้นะที่นีลวพ่อไหนมาคพอหว่อโทราถอดเขาจะถามว่าเรามาแล้วมีอะไรดี ลูกยาแม่แฉงเขาวาดเยอะมากบางีเรามีไฟอยู่ในตัวแล้วแต่หนูจะหายเราปล่อยให้ตัวรางพักตัวจากเหนห่อมันบางไฟเราอยู่เพราะฉะนั้นใช้ยามัดตัวร่งพักตัวาเนไฟที่อยู่อยู่ในใจนะท่านท่าปก่อนใช้ามต้งมีือถด่เปนนทางที่มาที่ีจะมาทยามต้องใชาที่อ ฟ้าดิฟ้าดิฟ้าดิ คน้าเราเียะนั้นให้เราคเก็ือ่านยงก็ถือว่าเคยตองได้รูปธรรมใจแต่ยังคนทั้งหลายที่ทำางนี้ก็ต้งได้รูปธรมใจไอ้รัถ้าให้เป็นรูปธรรมไม่เดการตายจะให้ได้มากกว่ารูปธรรมแต่ว่า้าให้เเดียวหลาย ออถ้าตุดขอบก็ยังเป็นเท่าเทียงเหมือนเดิมครับตอนนี้ขอบเป็นย okay. <ER no no no uh ัง huh. ง so ี้ก่อนนะครับว่ารับหลังกักนี้แล้วใคว่างเมื่อไห้อน่้าอิมา้ออนต้เสร็จอยังลอครับไม่นั้นจะได้นำาร์ดขอกนมาแล้ไปทำงานเลยข้าวขกาขอขึ้นมาท่านิดหลับเลยทั้งหมดตั้งน้โมสจะพร้อมกันเลยนะครับนต็มๆไว้นะขอขึ้นมากลน้โมตะการ์พัโต จะด้วยรู้หรือไม่รู้ก็ดีจะด้วยเห็นหรือไม่เห็นก็ดีจะด้วยทราบหรือไม่ทราบก็ดีจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีลูกทั้งหลายขอกราบขอธรรมกำนั้ลต่อองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคเจ้า ขอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าได้โปรดเมตตาอดโทษนั้นให้แจ่ลูกทั้งหลายตั้งแต่บันนี้สาบเท้าเข้าสู่พนิชทานการัหังนสัมมาสัมพุทธ佛พระกรพุทธังพระกวนฟังอะพิวาเทนี ใจที่เปิดปรดาลิงเล็กน้อยทั้งหลายกล่ามาทําความเคารพข อ, ของมาพระก็่ถ้าหากว่ า, ารักก็จะไม่เอาเรื่องกับลิงทั้งใส่ผู้ลิงไม่ได้เพ็งั้ก็กำใดที่เธอทั้งหลายพาไปร่วมเกิดต่อพระก็ขอกรรมเหลา่านั้นจงแปลเป็าพเป็นพรนามาเกิดพระองค์ขึ้นเห็นพระศาสนาจงให้เธอทั้งหลายสำเร็จพระธรรมมะของสัะเจ้า ทำใดที่องค์สังเดชระจอมใและพระยาาพระประสงค์ทั้งหลายบรรลุแล้วเพราะทั้งหลายเหล่านั้นทรงสังเดชเกิดเกินทั้งหลายเกิเกินเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันกำลังถูม่เออเอออี้าอ่ารูมจะถ่ายไปทอะไร ่ด้นาแล้ว่ัายัต่งนนะรู้ต่อนหลังไม่รู้ว่าั้งเดินเคยมีเรื่องอย่านี้ปาอยู่ถ้าลูกทัอยู่ได้ยนอยตีไาก็ขออนุญาตยู่เขน ทั้งหลายจงมีธรรมะพุทธเจ้าผปทีขึ้นอย่าขึ้นรูปบุคคลตัวตนเราเอาไม่มีประโยชน์นะก็เราพาตาพึ่งตามพระคุณตำลักของพุทธเจ้าดีกว่าพุทธเจ้าสอนเราปฏิบัติตามนะครับในตามหลักของพุทธศาสนาเราก็ไปดูไปหาไปเรียนเอาว่าธรรมะพุทธเจ้าสอนอย่างไรบ้างอย่างนั้นถึงจะสมกับคําที่เธอขอแบบนั้นว่าขอให้ถึงพระรู้เราต้องทําตนให้ถึงเข้าถึงแทางของพระรู้กันก่อน เอาล่ะเรียร้อยจับมาเป็นเพอนเดินไปแล้วความจริที่มาที่นี่เลยกการจะมาแสดงมุขตาจิตกับเขาแน่นอนแต่ต้องการจะมาแสดงตัวแต่พวกเราทำตนวัน้นานว่ากะจายยาตะวัดึงเห็นท่าเริจว่ากระ้วิเท่าไหร่แต่ก็เบื่อเกินแต่อะไรก็ขออย่าให้ทำตนอย่างนั้นแต่น้อยๆพวกเราก็ไม่คิดว่าจะยิ่รู้สึกว่าเขาบริวารมากจริงๆไปจับเออ สมรสจะตังที่ให้มาีฉันจะทั้งหมดถามว่าท่านบอกให้ถอยอยเลยนะครับอย่าให้ไล่ทุงครับที่่ะให้มาีนุโมทนาทบุญให้เกีวัดท่าให้เจ้สงในวัดท่าเพอทั้งหลายจะนุโมทนาระตือรือร้นบุมาก เอาไปทำอะไรไ่ทราบแล้วไม่รู้อะไรแล้ เขาแก้วมา t ด้หรือเออเป็นไงเปร่าคะได้ดีหรือไมกลัวทั้แก้วหายหรือโอ้ไปเออเข้าใจ เด็กน้อยแล้วที่เราก็ไปร่วมงานก็จะอายุล้วนเลยน้ำพักเช้าทำอะไรครับผมเอ้อทัดังตังขึ้นไปแล้วไนะครับไปลงบกไปด้วยอะรถ่ายรูปกันทมเหมนที่เช่จ่อ ไม่ได้นะเดี้นร่งเี๋ยวงที่อน ใช่เช่นว่านี่จะทำบุญร่วมกับสงฆ์วัดหน้าุนเธอทีมาใหม่อนุโมทนาร์ตานุโมทนาใหมม่ตอบติดเล อย่ามานั่งรอดาวโมงค์นาอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำเยอะอย่าเปนนกลัดเดือนที่หวังแค่ต้องไปรวยกำไรอย่างเดียวเอาไม่ได้ะงไมเทมาอองตีเาัผมแลอจะทอะไร ที่ยังสุดใจตัวเองตอนล้ปูให้พรไม่ได้อัดเอาไว้นะครับโ อ, อ้ตอนนี้ไม่มีพรที่แบบเพื่อนะเดี๋ยวตายนะครับเพเราทังหลายจะองทำบนขั้นธรรมะทีจจ่จะเจ้า ตายออไปทาไมหนูน um ้อยแล้วชาบูชาธรรมะพุทธเจ้าบูชาอย่าบูชาลูกพรมันไม่เข้าท่าอันนีสอนเพื่ออะไรขอนญาตช่วน้องครับตัวแฟนก็ทานน่าจะเด็กครับหน่อยไหนเดเพี้มันเลี้งรับหน้าเขาเป็นเรื่องก็หลวงปู่ยกให้เป็นจากสวงได้ไหมเอออนุญาตนะครับ อ <c ười> ๋ออ๋ออ๋อเราแยกให้คนท้องแก่เีราบอกคหนก็มีมา้วนะเพราะฉะนั้นท้องกำังมีกทุกคนล้วมันท้องคนละประมีเลยครับโอ้ ขอให้น้องเดินกับไปเห็วมากันเยอะแล้วจะรบกวนท้ายเท่านั้นไงไปข้างล่างเถอะแล้วอ่านใต้ดูหรือเปล่าพวกเราไม่จะทำให้ท้ายลงบากนะหมดลงเลยครับลงเลยนะครับขออนุญาตนเโรมจะถือว่าฉันไห่เลยนะ อย่าทำให้ลำบากใจเพราะมานี่เราจงการล้วแสดงกลัวอยากจะมาแสดงใทธพี่ตาติดเขาเท่านั้นนั้นก็ถือว่าพวกเรามาได้เห็นพระก็ถือเป็นบุญแล้วลวงตาเจ๊ยมานั่งเฝ้าอยู่เลยไปเออขอโทษที่พี่ตาติดใช่แสดงที่ให้ทั้งวานนี้จะทำบุญเรื่องกับส่งว่าถ้าเปนถ้าอย่างนั้นเจอจึงอนุมัติ หลวงป่ขออนุญาตสงสขยรู้ไหมครับเอาวัดที่มีพระหลวงป่หมายถึงสถานที่ที่ผมต้องการไปเป็นที่สูนยประสาทยังไม่ได้เต็ต้องรู้ครับสงไข้ เอาเงินไี่ทำใจไม่ถับเจ็ t ร้อยแล้วพวกเราก็น่าจะทยยนไปนะ้ยลงกเรยไออยงก็เยอยากง่ายเปสามพันลงรักษาต้งยังใจตั้งจิตให้ดีอยา้ เรื่องมานี่ก็ดีใจมีใจที่จะเห็นพิการเนื้อว่าสาม้านเออลูกสิษย์ของลิงทั้งหลายเขาให้ความยกมือ kh วกเพืังหลายก็ดีเออท่านผู้ชมทุกท่าน ตั้ใจที่องค์สังเดชจะจอมใจไว้แล้วแล้วน้ำไหลเหล่าน้ำซุกน้ำเกล็ดแก่เส้นไ i ลลองทับ้งน้นั้นทั้ั้ง้นถ้งลอันนี้ีอะไรมอีกนะยอมแ้ครับูไม่ต้องตอนยอมนอนแแล้วครับ มากมันจะตื <t od ic vaya> ้นอย่านี้เสมอแหละครับผมก็ก็มันด้อย่างนี้ถ้ามันยากเ็นคือไอคิดว่าชาตนี้ก็ตื้น r ี่สุดอกท่นเออเอเะ้ามัน ในร่างเราจะต้องเจอแิ่งเดียวรัอวัดใจที่นำมาถวายทั้งจะทำบุญร่วมกับสมวัชชากองเขาโดยทั้งหลายจงอนุโมทนาจิตยาสีงเข้าใส่แว่นในแแว่นนอกอย่นะ ขั้นแว่นรอบอ็นไหนเลยนะผมเสียด่าตรงที่ไม่มีแว่นเลยนี่ครับวางว่นจะแตกเนอะครับโอ้ยั่นั่งใช้แว่นดูบ่อยๆมันก็ดีเออว่าไงเอาตัวนั้นแหละ คนใดที่เธอทั้งหลายร่วงเกินต่อพระรัตนตรัยร่วงเจินต่อพระอริยสาวกกระสงทั้งหลายจำทั้งหลายเหล่านั้นจงเปลี่ยนเป็นพรชัยยังคงคนดลบันดานให้เธอทั้งหลายสมเด็จธรรมะขององค์คุเเ็จพระสันดาจงบรรลุถึงซึ่งธรรมที่พระเจ้าได้เห็นแล้วได้เคยเอ า, เอาไป ปัจจัยที่นำมาถวายทั้นจะถวายเป็นบุญบุญสมให้แก่ทำบุญแกสงฆ์วัดท่าตุงเจอทั้งหลายจงอนุโมทนานี่เป็นเรื้อจริงๆไล่ไม่เคยไปเลยจริง นี่ือว่าตั้ต่ที่มันเกิดมาก็เป็นจำนวนศาสตร์ต่างๆนี่น้อยมากไม่หมดเลยนะเออเพือจะมีสุาพจะเรีนในสมาไดนไดในร่าเราเกิดจนเม่เกิดจะินชั้นหลาย การได้เห็นข้าวแก้วที่มาทั้งหมดในวัดได้คนคนนั้นจะต้องมีใจที่เป็นความสะอาดหรือไม่อย่างนั้นการที่จะให้ไทยคนใดคนหนึ่งโดนตำนานทสามารถเห็นได้เป็นการถือกฎของธรรมชาติของผมไม่งั้นการจะนึกอยากจะเห็นอะไรต้องทำเต็มให้ได้ก่อนอย่าอาศัยชาวบ้านเขาเอาตัหมูมาดูในใจมันไม่เป็นครไปดไ ใช้แว่นตาอืมอืมไปจุดึรงนียายให้เว่นตาดีนะพยายามลองจริงเอาทมันเอา่อนใจในหน้าเราปดตรงน้เกิดอนการเราผ่อทไปตรงทาใจให้ได้อย่างออย่าไม่ใช่ว่าทาแล้วไม่ได้ผมจว่าโกหกแค่้แะ ทั้งหลายจะยั้จนะที่เปเจ้าที่ดใจที่นามาถวายท่านจะถวายทบุญให้แกสงวัฒน้าองค์เธอทั้งหลายจงอามนา เป็นนิสิที่ดีนะเพราะทีมก็ใช้ธรรมะพุเจ้าวิจ้าาทาธรรมะธพุทเจ้าธรรมชาติธรรมชาติที่ทุกคนก็มีอยู่ในตัวเองถ้ายันเธอก็มีธรรมะฉันก็มีธรรมะเออแตฉันมีธรรมเหนอตังดูความตายก็ไม่น่าจะมานั่งฟังธรรมะเพราะเธอก็มีธรรมะอยู่ในใจแล้วไม่ใช่หรือเออแ้จบ ขอธรรมนัติพระเจ้าเพง่อเปิดเผยจิตสำขอนขอ่านด้รู้จัละยกากท จะตังที่จะไหวข้างว่าจะทำบุญโวงกับสงฆ์วัดท่าเรือทั้งหลายชงอเมิกาทั้งหลากลับได้แล้วพวกสิดมืทั้งหลายกับนะครับวันอก่ากลับเป็นกลับนะครับโออยทนดูแตแล้วรู้ดวงเลยนะครับซื้อจริงๆริคอซื้อไม่ได้ทุกที ทุมานี่อยาจะมาแสดงวิธีการจิตไม่อยากจะมาแสดงตัวเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายอย่าพยายามทำให้ลำบากใจนะเออเพราะเธอไม่รู้วิธีการจิตเลยนะนะทำกันแรงกว่าธรรมดากัน c รงจนเห็นพระและวิมาก็ถูกลุ้นกระโไม่ได้เลยครับเออได้ไมเรื่องที่ เอาไป g ดี๋ยวผ n จะดคครับ ทำไรที่มัน n ึงเด็กจะยอมใจไปด้วยแรงของน้ำไหลจนมันลุกขึ้นมาน้ำไหลทำไมทำวิดีโอไมมาะเลย์ ใจที่จะไหวข้นมาจะนั่งไปทำบุญให้จัดสงฆ์วัดท่ากลมเ t อทั้งหลายลงมาหนึ่งหัวตาตา a ตเต็มตาตาใหญ่เลยนะก็คือเสร็จแล้วล t กค้าลงไม่ได้เลยนะถ้ามันเป็นานก็จอเร่งึบนท่าห้านจิตท่าอยู่ท่าเอาขาที ทั้งหลายต้องมีการประเมินได้แล้วคุณทำที่แตเจ้ารู้ส้าเลยสีไม่หวานมันจะหมกท่าอยดูที่หมดเพล้ยหรือยังมอหว่านอยเรื่อยจแย่ที่นาจะไม่มีแล้วนะเออไป จะทำลำบากใจให้กับพระสงฆ์ท่านเพราะว่าที่นี่เป็นที่บกลองกันลองอะไรนะครับกเราท่านไล่หรายอย่างนี้เราต้องเปนเองนะครับนะเออไม่ใช่ใครรือว่าถึงตัวอะไรเราพยายาจะเชิญ